ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเคราะอยู่ที่ชื่อนา ม, มะสิทธิชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่16พฤษภาคม2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัด น, นี้ค่ะ ขึ้นไตเตินะอันนี้มีหัวขึ้นไตเติชื่อนั้นสําคัญชะไหนคราดีครา้รรายอยู่ที่ชื่อของคนนั้นจริงหรือชื่อสามารถลิขิตความสําเร็จรุ่งเรืองให้แก่เจ้าของชื่อหรือสามารถทําร้ายเจ้าของชื่อให้ต้องป่วยบาดเจ็บถึงตายได้ละหรืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไตเติลไตเติเออคำนำคำนำ ตั้งใจว่าอย่างนั้นเอาเริ่มเรื่องมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าปาประกาปปาสระอาปอปากอไก่สระอัปาประกะาศเให้เดาสิแปลว่าอะไรฮะป้าประกแปลว่าอะไรโอ้ยเดาไม่ได้เลยเหรอฮะก็แ ป, แปลว่าบาปนะบาปกรรมบาปสิ่ง ชั่วร้าสิ่งไม่ดีสิ่งอะไรต่างๆนี่นแหละนันก็คือบาปนั่นแหละถ้าภาษาไทยะนะปรากฏว่าเนี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อว่าปาปากะชื่อดีป่ะชื่อเพราะไหมฮะอะไรชื่อไม่เพราะเหรอน่าชื่อปาปากะฮะชื่อชื่อนายขี้หม า, าเฉพาะ าแสดงว่ายังไงเราเรายังไอ้นั่นอยู่เหรอเราถึงจะรู้ว่าชื่อไหนเพราะไม่เพราะอา้าเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าชื่อไหนเพราะกับกันชื่อไหนไม่เพราะกันเอาอะไรมาพิสูจน์ะเอาค่านิยมเอาสมมุติโลกแล้วเอาอะไรอีกอ๋ออยู่ที่ความหมายถ้าความหมายดีก็คือชื่อดีถ้าความหมายไม่ดีก็คือชื่อไม่ดี อ๋อสุวรรณมาลีสุวรรณมาลีแปลว่าอะไรออชื่อสุวรรณมาลีเพราะหม αι? อ๋อถ้าชื่อดอกทองแล้วไม่เพราะออาแล้วถ้าเกิดมีคนตั้งชื่อสุวรรณมาลีให้แล้ยาวป่ะไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเพราะมันยาวไป เหตุผลตรงประเด็นหรือเปล่าเนี่ยเอาฟังนะนายคนเนี้ยเนี่ยเขาชื่อว่าปาบกระได้บวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาแต่แม้เป็นภิกษุแล้วก็ยังเชื่อถือว่าโชคดีหรือเคราะห์ร้ายอยู่ที่ชื่อของคนนี่นี่ขนาดบวชแล้วนะจับให้แม่นนะจับประเด็นให้แม่นนะนี่อยู่ในยุคการของพระพุทธเจ้าอยู่นะ เพราะฉะนั้นขนาดบวชแล้วในพุทธศาสนาก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่ได้อีกดังนั้นคราวใดที่เพื่อนภิกษุเรียกชื่อของตนก็อดคิดไม่ได้ว่าในโลกนี้ผู้ที่มีชื่อว่าปาป ก, กะเขาบอกกันว่าเป็นชื่อกาลกินีจะต้องเคราะห์ร้ายกาลกินีหมายความว่างไงเออชื่ออ๋อเอาอปีเลยเหรอ ก็ทานองนั้นน่ะนะเป็นชื่อที่มันเลวร้ายเขาเรียกว่ากาลิกินีอย่างเช่นว่าเอาเอาเอาสมมุติว่ า, าจำข่าวใช่ไหมที่เมื่อไม่นานมานี้ข่าวเกี่ยวกับดาราตายอ่ะที่เขาบอกว่าคนที่ชื่ออักษรจอจานนอนหนอูตัวอะไรอีกอะมอมา้อาสมมุตินะตอเต่อตาอาเป็นอักษรที่ ที่ถ้าใครมีนะช่วงนี้ระยะนี้แล้วก็จะต้องไปทำไงเขาก็หลอกให้ไปสะดะเคะให้ไปครอบครูซะพราเขาเชื่อถือว่าอะไรเชื่อถือว่าชื่ออักษรนั้นๆในชื่อของเขาเนี่ยเป็นกาละกินีจะทาให้ภาษาหนักๆก็จะทำให้ขิบหายายป่วงแล้พูดง่าย นะหรืออาจจะเคราะ์ร้ายอาจจะถึงตายหรืออาจจะเจ็บป่วยได้ไข้อะไรก็แล้วแต่มันภิกษุรูปนี้ก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าชื่อมีผลาเขาบอกกันว่าเป็นชื่อกาลกินีจะต้องเคราะร้ายไม่เป็นสลีมงคลเลยเราต้องขอให้พระอุปชาช่วยตั้งชื่อให้ใหม่เพื่อความเป็นมงคลแก่เราดังนั้นพระปาปะกะจึงเข้าไปหาอาจารย์ รบเร้าให้ตั้งชื่อใหม่แต่พระอุปชาบอกว่ า, านะดูคำตอบของพระอุปชานะชื่อเป็นเพียงภาษาสมมุติตั้งไว้เรียกขานกันเท่านั้นจะเป็นสลิมงคลหรืออัปมงคลก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ชื่อเลยจงมีความพอใจในชื่อเดิมของตนเถิดเป็นไงอาจารย์เป็นไงว่ะปฏิเสธเลยนะ ล้มกระดานทิ้งเลยลูกศิษย์อยากจะมาขอเปลี่ยนชื่อใหม่อาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าว่าชื่อนี้เพราะหรือว่าไม่เพราะนะอาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าชื่อนี้เพราะหรือไม่เพราะแต่อาจารย์บอกว่าชื่อนี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นหรือเร็วลงหรอกานันใช้ใช้ชื่อเดิมไปเถอะอาจารย์ยืนยันคานี้แม้อาจารย์จะบอกอยู่อย่างนี้ พระปาปกะก็ยังคงอ้อนวอนอยู่เสมอร่ําไปจนเป็นข่าวกระพือแพร่ไปในหมู่สงฆ์ว่าภิกษุชื่อปาปกะเซาซีพระอุปัชาให้ตั้งชื่อใหม่ที่เป็นมงคลให้อย่างไม่ยอมเลิกลาเลยทีเดียวก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ยอมอ่ะพูดงไงว่าไม่ยอมอาจารย์แม้อาจารย์จะบอกว่าเอานะชื่อเดิมเถอะ น, นะ แต่ก็ไปพยายามตือ้อพูดง่ายนะพยายามตื้ออาจารย์ตื้อแล้วตื้ออีกตื้อแล้วตื้ออีกจนกระทั่งคล้ายๆว่ายังไงเออก็ปลว่าคือใครๆก็เห็นเนะ่ะพูดง่ายใครๆก็เห็นใครๆก็พูดง่ายว่าชักจะเออเจ้าหมอนี่เนี่ยเอ้เจ้าหมอนี่ไม่ได้เป็นพระแล้วนะบอกเออพระลูกนี้นี่ทําไมดูสิไม่เชื่อฟังอาจารย์เลยจริงๆอาจารย์ต้องเก่งกว่าลูกศิษย์ใช่ไหมถ้าอาจารย์เนี่ย บอกอย่างนี้แล้วลูกศิษย์ควรจะเชื่อแต่นี่ดูซิไม่เชื่ออาจารย์แล้วไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดแค่ครั้งเดียวเพราะว่าลบเล้าเสาซีนี่แสดงว่าแม้มันบ่อยครั้งเหลือเกินอาจารย์ก็ยังคงยืนยันว่าเอาชื่อเดิมเถอะเอาชื่อเดิมเถอะลูกศิษย์นี่ก็พยาพยามพยาพยามพยายามจะเตื้ออาจารย์ให้ได้เพราะฉะนั้นข่าวนี้ภิกษุอื่นๆก็ชักจะเอ๊ะมันไม่คอดท่าเลยนะอย่างนี้แสดงให้เหน็นถึงความไม่เคารพแล้วก็ความไม่เชื่อฟังอาจารย์นะก็เลย กห็หึมเลยสีคราวนี้ชักชักอะไรอะ่ะชักพูดถึงเงินใหญ่แล้วเมื่อพระบรมศาสดาทรงทราบจึงตรัสว่าเอาด่ปาปรากฏว่าเรื่องนี้ไปเข้าหูถึงผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็หวังความเป็นสิริมงคลจากชื่อมาแล้วฮะ เออพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนยากหรือเปลี่ยนง่ายนิสยนัสยอ่ะนิสัยอ่ะนะบางคนฟังทำทีไรก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยนี่ไม่ใช่ว่านั่งเรียบร้อยหรอกเรียบร้อยนี่ก็คือ อ, อะไรคำนับคำนับทำคำนับทำนะไม่ใช่คารวะทำคำนับทำนะไม่ใช่คารวะทำ คำนับทําคำนับแล้วคำนับอีกประจำนะเสาต้นไหนก็เสาต้นนั้นนะ <c ười> คือให้เห็นเนี่ยคือที่พุทธเจา้าท่านพูดอย่างเนี้ยหรือว่าเรื่องชาดกที่เล่ากันมาเนี่ยจะให้เห็นเลยว่าคนเรานี่เปลี่ยนแปลงยากไม่ใช่ง่ายคนเราอย่านึกว่านิสัยของเราเนี่ยจะนิสัยดีก็ตามนะไม่ใช่แค่นิสัยไม่ดีนะนิสัยดีก็ตามนิสัยเลวก็ตามล้วนใครสะสมไว้แล้วนี่ไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงกันง่าย เพรบางคนเนี่ยมีสิ่งดีมาสะสมดีมาแล้วแต่พอมาชาตินี้เนี่ยจะมาทําเลวก็ได้ใช่ไหมแต่ถึงจะทําเลวก็ตามนะไอ้สิ่งดีที่มีคนนี้มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องขึ้นมาขึ้นมาสร้างฮิริสร้างโอตตะสร้างความละอายให้กับเราเพราะฉะนนั้คนที่สะสมดีมาแล้วจะไปให้ทําเลง่ายๆนีย่ยากเหมือนกันพระเจ้าถึงบอกว่าคนดีทํา คนดีทําเลวได้ยากส่วนคนเลวทําเลวได้ง่ายมันเหมือนกันคนเลวก็ทําดีได้ยากแต่คนเลวทําเลวได้ง่ายนี่ก็เป็นผลของการสั่งสมเหมือนกันซึ่งจะให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย ه, หน้านี้มันก็หนีไปพ้นทุเรียนสักทีนะจะให้เห็นว่ามันไม่ใช่ติดมาแค่บัตรเดียวนี้แล้วมันมาติดหรอกมันก็ติดมานานแล้วเพราะฉะั้นบางคนเนี่ยโอ้ย พยายามจะสู้จะอะไรก็นชนะยากก็เพราะมันติดมาไม่น้อยแล้วแหละมันติดมานานแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมาติดเพราะถ้าเราคิดว่าเออเราจะเลิกจากสิ่งที่เราติดพันแล้วขูกพันนี้ให้ได้ต้องเพียรต้องเพียรให้หนักนะมันถึงจะละได้บ้างถ้าไม่เพียรให้หนักแล้วละไม่ได้เหมือนกันคนดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยพยายามจะแกล้งนะแกล้งให้เลวเพื่อที่จะไปทําเลว แกล้งคนอื่นอะได้แต่แกล้งตัวเองมันแกล้งไม่สําเร็จหรอกว่ามพอแกล้งไปเนี่ยก็จะเกิดหิริและโอตะปะขึ้นมาทันทีเลยนะ้จะลงโทษตัวเองโดยอัตโนมัติเลยทําให้หงุดหงิดทําให้รู้สึกไม่สบายใจทําให้ทุกข์พอไปทําเลวแล้วเนี่ยนะทุกข์ทรมานใจตัวเองเหมือนกันนะ้เพียงแต่ว่ามันมุมตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะ้าแต่นี่ก็คือผลของการสั่งสมผลของวิบากกรรมผลของออชาติแต่ละชาติที่มีที่เป็นมา มันภิกษุรูปนี้ก็นั่นแหละมันไม่ง่ายนักหรอกที่จะแก้อะไรก็ได้ง่ายถ้าสิ่งนั้นเนี่ยไม่แก้แบบนิพพานได้จริงคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่สามารถจะแก้ได้แบบถึงขั้นนิพพานได้จริงนะสิ่งนั้นมันยังคาอยู่แน่ยังค้างอยู่แน่วันพอเรามาเกิดอีกมามีอีกเอาอย่างสมมุติก็ได้ยกตัวอย่างบางคนกินเนื้อสัตว์มาเนี่ยเสร็จแล้วมาอยู่วัดตั้งหลายปี นะอาตมายังยึกอยู่บอกแม่โยมพี่สาวอาตมาเนี่ยโอ๊ยกินมังสวิรัตมาตั้งสิบกว่าปีไม่รู้จะถึงยี่สิปีไหมนะอาตมายังนึกเสียดายแทนเลยเสร็จแล้วในที่สุดไม่รู้ไปมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาก็เลยไม่รู้จะประชดหรือเปล่านะก็หันไปกินเนื้อสัตว์ใหม่โออก็ทําได้ด้วยก็กินได้จริงๆด้วยแล้วก็เลยกินจุบกินจิบ เนื้อสัตว์กินอะไรมาเรื่อยๆเลยธรรมาก็บอกเออถ้ามันไม่ถึงนิพพานจริงเนี่ยเห็นไหมมันเวียนกลับได้เห็นไหมวันต่อให้เป็นโสดาเป็นสักกทธาถ้ายังไม่ถึงอนาคามีขั้นที่เรียกว่าไม่ไม่หวนกลับคืนนี่นะอนาคามีนี่มีโอกาสแล้วที่จะหวนกลับคืนก็ได้หรือว่าไม่หวนกลับคืนก็ได้นะมีมีเป็นสองพวกเป็นสองสาย มันถ้าเราเนี่ยไม่มีจิตถึงขนาดนั้นจริงในเรื่องไหนก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อสัตว์นะจะเป็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงจะเป็นเรื่องกิน อ, อ, อะไรที่เราติดก็ตามจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าจะเป็นเรื่องอะไรอะ่ะยังโลภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยถ้ามันมีอยู่เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นแหมดิเลต ส, สิ้นเกี่ยงจริงในเรื่องนั้นๆแล้วมันเวียงกลับได้ทั้งนั้นทุกเรื่อง สามารถเบียนกลับไปทุกเรื่องเพราะใครที่ประมาทหรือใครที่อะไรอ่ะไม่เดินหน้าขึ้นไปจนถึงขั้นหมดกิเลสนะมันมีสิทธิ์ที่จะเบียนกลับได้เกือบทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนเนี่ยมาอยู่วัดแล้วก็สามารถกินเมืองสุรัตได้สามารถกินมื้อเดียวได้ได้อิทธิพลของหมู่ได้อิทธิพลของบางทีกฎระเบียบวินะัยนะ หรือว่ามีคนให้กําลังใจหรือว่าเห็น เ, เพื่อนฝูงหรือว่าเห็นผู้ที่สูงกว่าเราทําดีได้เราก็ยังทําตามไปเราคอยตามไปได้แต่บางทีตัวเราไม่ได้จริงวันพอคราวนี้พอถึงเวลาวันไหนหรือว่าเวลาใดที่จิตเราเกิดตกขึ้นมาหรือว่าเราเกิดไม่มีหมู่ไม่มีพวกขึ้นมานะต้องไปพอจนกิเลสเรื่องนั้นๆเฉพาะตัวคนเดียวเงี้ย คราวนี้แหละมันจะพิสูจน์แหละว่าเรานี่นิพพานในเรื่อง น, น, นั้นจริงหรือเปล่าหรือได้แค่ขั้นไหนมันจะพิสูจน์ความจริงเพราะนันพิสูจน์ความจริงได้เนี่ยมันต้องมีภาษาเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นเรื่องตรงกับกิเลสเราด้วยนะแล้วก็โดยที่ไม่มีคนอื่นช่วยเหลือเรานะนั่นแหละถึงจะรู้ความจริงได้แต่ถ้ายังมีพรรคพวกมีอะไรต่ออะไรช่วยเหลือเราอยู่บางทีมันยังไม่จริงเพราะว่าอิทธิพลของหมู่พลังของหมู่ ช่วยพาเราไปด้วยได้มันจะจริงชัดๆเลยเนี่ยต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยแน่แค่ไหนหรือว่ามีภูมาทำสามารถปฏิบัติได้ถึงขั้นไหนมันก็หวังว่าเนี่ยแหละพวกเราเองเราก็ต้องพยายามนะอย่าไปอะไรอะหลงตัวเองจนเกินไปว่าบางทีเนี่ยโอ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราสบายแล้ว นะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันอยู่ในสถานที่อย่างพวกเราอยู่อย่างนี้แล้วบางทีมันสบายจริงๆอะ่ะหรือบางทีผัสสะ ก, ก็น้อยบางทีนะบางคนเนี่ยนึกว่าไม่โกรธแล้วสบายมากใครจะมาแย่ล้วให้โกรธเนี่ยไม่มีสอนคนอื่นได้อย่างดีด้วยอา้าวแต่พอบางทีไปเจอเข้าจริงๆอะ่ะกับตัวเองแล้วบางทีถึงจะรู้ว่าโอ้โหอย่างนะี่ยเรายังมีอยู่ยไม่น้อยเลยทีเดียวแนะโชคดีที่เรายังไม่ไม่ไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นต่างหากละ เราถึงได้ยังไม่โดนไอขุดกิเลสอันนี้ขึ้นมาโชว์ยังไม่โดนขุดขึ้นมานะเพราะฉะนันหวังว่าให้เรานี่อย่ากโกรธอย่ากเกลียดหรือว่าอย่าน้อยใจหรือว่าอย่าท้อหรือว่าอย่าโมโหเลยเวลาที่เราโดนใครก็ตามนะมาเขี่ยกิเลสของเราเองเนี่ยให้โผล่พี่มาให้เห็นอย่างพ่อท่านเคยบอกอะจริงๆมันน่าจะขอบคุณเขาด้วยซ้ําไป เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะหลงตัวเราเองเพราะคนอื่นมาเคีย่ยวให้โผล่ขึ้นมาได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนะ่ะเขามาช่วยเราให้เราเองเนี่ยจะได้รู้ฐานของเราเองว่าเออตอนนี้เราอยู่ฐานไหนเราอยู่ระดับไหนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีวันรู้เลยจนกว่าเราจะไปเจอผัาสสะเนี่ยแหละนะแล้วเราสามารถที่จะผ่านด่านนั้นได้เราถึงจะเออแน่ใจว่าเออเราผ่านได้แล้วด่านนี้ แต่ถ้าตาบได้ไม่มีภาษามาพิสูจน์เนี่ยมันมันยังไม่จริงนกะก็หวังว่าเราก็จะกล้าขอบคุณคนที่มาเคลียกิเลสเราแม้ว่าเราจะหน้าเบี้ยวหน้าบูดไปบ้างก็ตามนี่พอพูุ้ทธเจ้าท่านตรัสนะอดีตชาติบ้านเนี่ยภิกษุรูปเนี้ยเนี่ยเคยมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าชื่อเนี่ยจะทำให้มีสิริมงคลนะ ดังนั้นจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าว่าในอดีตการมีอาจารย์ที่สาปามโมกผู้หนึ่งอาจารย์ที่สาปามโมกนี่หมายถึงว่าเป็นเหมือนกับชื่อกลางๆนะไม่ไม่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อคนคือเขาเรียกอาจารย์ที่มีฝีมือหรือว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอาจารย์ที่สาปามโมกหรือว่าบางทีสานักอะไรสำนัก ที่าปาโมกอะไรเงี้ยนะก็หมายถึงว่าสำนักที่โอ้สำนักนี้เก่งสำนักนี้เยี่ยมอาจารย์ที่สาปาโมกผู้หนึ่งพั่มสอนบอกมนเหล่าสิทธิ์จำนวน5้าร้อคนอยู่ในนครตักกาศิลาลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์มีชื่อว่าปาปกะชื่อเหมือนเดิมเป๊ะเลยให้เห็นคือจริงๆอาจจะมาว่ามันเป็นลูกประธรรมนามธรรม ท, ที่ ที่จะชี้นะชี้ให้เราชัดๆว่ากิเลสจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหน้าหรอกมันตัวเดิมนะมันหน้าเดิมต่อให้นะต่อให้เนี่ยว่ามันเป็นคนละชาติแล้วก็ตามจะไปเป็นชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สาอะไรก็แล้วแต่ไอ้กิเลสจริงๆเนี่ยมันมันตัวเดิมมันไม่ได้แปลกไปจากเดิมหรอกจะเป็นความโลภจะเป็นความโกรธหรือว่าเป็นความหลงก็ตามมันตัวเดิมแล้วมันก็ชื่อเดิม แต่ความเป็นจริงแล้วบางทีมันไม่ชื่อเดิมหรอกมันโดนเปลี่ยนไปจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภูเขาเวหรืรอว่าเวปุระบันพจนนี้โดนเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่ความจริงอ่ะภูเขาเวปุระบันพจนเนี่ยภูเขาลูกเดิมนะแต่ว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนองค์ไปแล้วนะชื่อภูเขานี่ก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ความจริงภูเขาลูกนี้ยังเป็นลูกอยู่อย่างเดิม มันก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าปาประกาศเขาจึงถูกพวกเพื่อนเรียกอยู่เสมอว่ามาเถอะนาบาปนี่แปลเป็นไทยแล้วเดินนบาปเราไปด้วย ก, กันเถอะนะนายบาปจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเพื่อนเรียก อ, ะอ่ะเอาไปกินข้าวด้วยกันในบาปไปอะไร น, นี่อุตสาเรียกพอแล้วนะถ้าเป็นเพื่อนซีซซกันเขาเรียกไงเออเขาเรียกไอบาป ไม่รู้บาปริสุ์หรือเปล่า เ, ออเขาถูกเรียกอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเข้าจึงคิดว่าชื่อของเรานี้ช่างอัปมงคลจริงหากจะหวังให้มีความสำเร็จในชีวิตจะต้องขอให้อาจารย์ตั้งชื่ออื่นให้ใหม่คงจเจริญรุ่งเรืองกว่านี้แน่ออแสดงว่าอาดีตก็เคยคิดอย่างนี้มาแล้วเออขาจึงไปขอร้องอาจารย์อาจารย์กล่าวว่า หากเจ้าคิดชื่อหากเจ้าคิดว่าชื่อของตัวเองทำให้อับประมงคลก็เอาอย่างนี้สิเจ้าบาปฟังฟังแล้วมันก็ตั้งอิดตั้งอิดดีเมืงนะถ้าเราเกิดชื่อนี้เองนะคือสมมุติว่าเร า, เ, ราเกิดชื่อชื่อบาปจริงๆแล้วใครเรียกเอา้าเจ้าบาปนะเจ้าจงไปไปเอาทุเรียนมาสองลูก โอ้ฟังดูแล้วก็แหมคนที่วางไม่ได้จริงๆริอตมาว่าทนยากวิบากกรรมของเราเนี่ยเราจะต้องได้ชื่ออะไรนะเพราะว่าจริงๆชื่อคนเรามันก็เป็นไปตามวิบากกรรมเหมือนกันวันคนนั้นถึงจะต้องชื่อนั้นมาถึงจะต้องชื่อนี้มาเหมือนในปาป ะ, ะเนี่ยก็มีวิบากกรรมที่ทำไมเขาจะต้องชื่อปาป ะ, ะแต่แต่ชื่อนี่ไม่ได้ตายตัวว่า ชื่อปาประกาศแล้วทําให้คนนั้นไม่ดีไม่ใช่นะอันนี้นี่คนนั้นต้องแม่นประเด็นเพราะชื่อจริงๆนี่มันมีหลายอย่างมาเคยพูดให้บางคนฟังว่าชื่อเนี่ยหนึ่งเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานนี่หมายถึงว่ามันตรงข้ามกับกับคนนั้นมีคนนั้นเป็นเลยอย่างเช่นบางทีบางคนนี่อะไรอ่ะนิสัยก็โชคโขกหักนะนิสัยกระด้าง แข็งป๊กแข็งเป๊ก พ, พ่อท่านอาจจะตั้งชื่อฟ้านิ่มให้ <c oughs> นะไม่ใช่ฟ้านวน <c oughs> อาจจะตั้งชื่อฟ้านิ่มให้คือมันตร ง, งข้ามกับคนนั้นมีคนนั้นเป็นเลยเพราะั้นบางทีเนี่ยนายบาปนี่อาจจะเป็นคนดีมากก็ได้นะแต่ว่าคนนี้ต้องเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อนายบาปคือคือตรงังข้ามกับคนนั้นมีคนนั้นเป็นเลยอันนี้เราเราภาษาเราเราเรียกว่าเป็นชื่อแบบกรรมฐานว่าคนนั้นเนี่ยจะต้อง หาความสมดุลหาความพอดีจากชื่อตัวเองแล้วคนนั้นได้ไปแล้วคนนั้นจะสมดุลคนนั้นจะพอดีนะบางทีคนนี้ต้องชื่อนายนายบาปไปเพราะว่าโอ้ยคิดอะไรแต่สุภาพอยู่เรื่อยอสมมตนะินั่นนี่อาตมาจะตีความอย่างอาตมานะคนที่ีคิดอะไรแต่เรื่องที่มันแหมต้องสวยงามนะต้องเป็นสุภาพต้องดีอย่างงั้นต้องดีอย่างนี้นะต้องพนะิเศษต้องอะไรต่างๆนานาไอ้ที่เป็นเชิงสุภาเนี่ย เันเลยต้องเจอชื่อนี้เข้าไปให้นะต้องชื่อนาบาปนะต้องชื่อในายสกปกต้องชื่อในอะไรถูลูถูกังอะไรก็แล้วแต่นะคือพอได้ชื่อไปแล้วเนี่ยคนนี้ก็อออือืต้องไปคิดละต้องไปนึกละต้องทํายังไงที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมันจิตเนี่ยแล้วมันเกิดความพอดีขึ้นมานันชื่อชื่อนี้นี่จะเป็นชื่อที่เป็นสื่อทําให้คนนั้นเนี่ยสมดุลขึ้นมาได้ ทำให้คนนั้นพอดีขึ้นมาได้รักสวยรักงามมากก็ต้องเจอชื่ออสุพะเข้าไปเจอชื่ออสุภะเข้าไปนะแล้วถ้าคนนั้นเนี่ยเข้าใจได้ว่าชื่อนี้เป็นเป็นกรรมฐานของตัวเองคนนี้ไปพยายามนึกไปพยายามปรับให้ตัวเองเนี่ยอย่างที่อาจามาบอกคนที่กระด้างนะชื่อฟ้านิ่มอย่างเงี้ยก็โอ้โหไปพยายามนึกอยู่เรื่อว่าเออตัวเองต้องเป็นคนนิ่มนวล น, นะต้องพูดจาให้มันนิ่มๆหน่นอย อย่าพูดจาแข็งอย่าพูดจากระด้างคนนี้นึกอย่างนี้อยู่ บ, บ่อยๆเตือนสติตัวเองอยู่ บ, บ่อยๆ บ, บ่อยๆ บ, บ่อยๆทําให้อาการกิริยากระด้างนะการพูดจาก้าราวะไรเนี่ยลดลงมาได้เห็นไหมคนนี้จะดีขึ้นคนนี้จะเจริญขึ้นถ้าคนนี้เข้าใจว่าชื่อนี้เป็นกรรมฐานาหรือบางทีคราวนี้ชื่อคนนี้ได้ได้เพราะคนนี้นี่มีสิ่งนั้นอย่างดีอย่างพิเศษคนนั้นเหมาะแล้วที่จะได้รับชื่อนี้ไป เป็นเหมือนกับรางวัลเป็นเหมือนกับคําชมเชยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมรรคผลที่คนนั้นควรจะได้แล้วบางทีคนนั้นก็เลยได้ชื่อนั้นไปอ่าอาจจะชื่อชื่ออะไรชื่อนายพูดดีเพราะว่าคนนี้อเอ้ยพูดดีสิคนนี้นี่ไปที่ไหนอะไรเนี่ยโอ้โหเจรจาพูดจาอะไรกัใครแล้วปรากฏว่าได้ผล นะทำให้คนเขาสมานสามัคคีกันสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนเขานะ้าเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยยอมรับเลยคนที่ต้องชื่อพูดดีพูดวิเศษพูดเลิศพูดยอดอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ได้ไปตามมรคลของคนนั้นที่มีที่เป็นหรือโอ้ยังมีอีกตั้งเยอะแย ะ, ยะบางคนเนี่ยได้ชื่อเพราะเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นในยุคนั้นนะเกิดพฤษภาธมินขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหม เลยตั้งชื่อจะพึกสภาอะไรก็แล้วแต่นะชื่อผ่านฟ้าอะไรทํานองนี้นะก็เออไปอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าก็เลยได้ชื่อผ่านฟ้าคือชื่อไปตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายวิบากกรรมนะที่ทําให้คนนั้นจะต้องมีจะต้องเป็นเพราะจริงๆมันไม่ใช่มุมเดียวมันยังมีเยอะกว่า น, นี้นะขยายแค่นี้คิดว่าไปคิดต่อกันเราเองนะเพราะเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบ เสร็จแล้วคราวนี้ปรากฏว่าอาจารย์คนนี้ก็เลยแนะ ล, ลูกศิษย์นะบอกว่าเอาละเจ้าบาปเจ้าจงเที่ยวไปตามชนบทต่างๆไปสแสวงหาชื่อที่เป็นมงคลมาสักชื่อเลือกที่เจ้าชอบใจที่สุดเลยแล้วนำมาบอกเราเราจะเปลี่ยนชื่อนั้นให้แก่เจ้าปรากฏว่าอาจารย์อาจารย์ที่สาปามโมกนี่นะต่างจากอุปชาคนเก่านะอุปชาคนเก่านี่เวลาลูกเอ่อ พระ ป, ระประาปะนี่มาขอปรากฏว่าอย่างไงปฏิเสธเลยนะปฏิเสธทิ้งเลยนะศิลปะปไม่เหมือนกันเลยนะนั้นปฏิเสธทิ้งเลยวันโอ้โหั น, นก็ตื้ออยู่เรื่อยตื้ออยู่เรื่อยแต่ตรงข้ามเลยคราวนี้อาจารย์ที่ส า, ามโมกุลนี่พอในบาปนี่มาขอชื่อใช่ไหมไม่ได้ปฏิเสธเลยเหนไหมศิลปะปต่างกันไม่ได้ปฏิเสธเลยนะบอกว่าอา้าว อยากจะได้ชื่อให้มันเหมาะที่สุดใช่ไหมเป็นมงคลที่สุดใช่ไหมเอาละเอาเลยไปแสแบงหาเลยดูซิชื่อไหนที่ชอบที่สุดแลคลิดว่าเยี่ยมที่สุดดีที่สุดแล้วไปเอามาเอามาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมาตั้งให้ไม่ได้ขวางเลยไม่ได้ขัดเลยถามจริงๆว่าอาจารย์นี่จะรู้ไหมว่าชื่อเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีหรือว่ามันเป็นยังไงอาจารย์คนนี้จะรู้ไหม คือถ้าอาจารย์รู้เนี่ยว่าชื่อมันไม่ได้สําคัญนะสมมุตินะอาจารย์คนนี้จริงๆควรจะห้ามสิใช่ไหมแล้วทําไมอาจารย์ไม่ห้ามที่อาจารย์ไม่ห้ามเนี่ยถามหน่อยเถอะถ้าสมมุติว่ามีใครเนี่นะไปขอให้คุณตั้งชื่อให้แล้วเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยชื่อเขาไม่ดีเลยนะเขาอยากจะให้ตั้งชื่อให้เนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณเองคุณคิดว่าคุณจะยังไงถ้าคุณรู้ว่าเนี่ยคนนี้เขาโอ้ย เขาจะขอให้ตั้งชื่อใหม่ให้ได้เนี่ยแหละจะทํำยังไงถ้าปฏิเสธถ้าปฏิเสธจะเป็นไงอ่าหนึ่งคือเ ข, เขาก็คงจะขออีกสองถ้าเขาไม่ขออีกเขาจะไงถ้าเขาไม่ขออีกเขาอาจจะไม่ชอบใจก็ได้มช่ไบอกแหมให้ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยดูสิทำเป็นเล่นตัวไม่ยอมตั้งให้เราอะไรอย่างนี้หรือโอ้ไม่ช่วยเราเลยแหมเพื่อนฝูงแท้ๆใช่ไหมเพราะไม่ปฏิเสธ อาจารย์นี่ไม่ปฏิเสธแล้วก็อาจารย์กลับบอกว่าให้ไปเออไปหาเอาทำไมอ่ะทาไมต้อง อ, อาจารย์ถามมิจิอาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่ได้ไหมเนี่ยแค่เนี้ยอาจารย์มีความสามารถตั้งให้ได้แน่แต่ทำไมอาจารย์ไม่ตั้งให้เองทำไมต้องให้เขาไปสแสวงหา อ, อ่าเพราะอะไรเพราะอาจารย์ตั้งให้ใหม่นี่ต่อให้ตั้งชื่อสุวรรณอะไรดี สุวรรณณลนี่มันผู้ชายจะสุรรนมาลีได้งไงนะสมมุติว่าสมมุติว่ า, มมวาอาจารย์เนี่ยตั้งชื่อไปให้เขาแล้วใช่ไหมเออหนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้หรือเขาอาจจะถูกใจเขาแหละแต่คนนี้พอตั้งไปแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าความจริงเนี่ยชื่อมันสําคัญจริงไหมชื่อมันสําคัญไม่จริงใช่ไหมถ้าเขาเกิด เขาคิดว่าอาจารย์นี่ตั้งชื่อให้เขาดีแล้วใช่ไหมเขาควรจะประสบความสำเร็จเขาควรจะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอเขาได้ชื่อนี้ไปแล้วเขาเป็นไงอ่าหนึ่งคือเหมือนเดิมสองคือซวยกว่าเดิมใช่ไหมคราวนี้นะถ้าดีกว่าเดิมนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจจะยิ่งมาโอ้โหสู่หกอาจารย์ใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดเหมือนเดิมกับซวยกว่าเดิมนะสองประตูเป็นยังไงอ่ต้องด่าอาจารย์แน่แล้ว อาจารย์ตั้งชื่อให้ไม่เห็นจะเข้าท่าเลยไม่เห็นจะดีเลยนั่นแหละเพราะนั้นอาตมาว่าเอออาจารย์คนนี้นี่มีภูมินะมีปัญญามีความฉลาดแล้วก็รู้กิเลสของลูกศิษย์ด้วยถึงได้บอกว่าเออเอาเอ า, เอาไปไปลองไปสแสวงหาดูสินายบาปก็รับคําอาจารย์ด้วยความดีใจแล้วตระเตรียมสเสบียงออกเดินทางไปตามหมู่บ้านชนบทอื่นถึงนครแห่งหนึ่ง ภายในพระนครนั้นเขาพบกับขบวนแห่ศพเห็นญาติผู้ตายกำลังหามศพเข้าสู่ป่าช้าจึงถามไปว่านี่ท่านเป็นใครกันหรือที่ตายจากไปก็เป็นธรรมดาบางทีเราไปเห็นนะเราก็เออนั่นใครอะ่ะตายอะ่ะนี่เขาก็ตอบนะครับคนที่อาจจะอยู่ในขบวนก็แล้วแต่นะเขาก็ตอบกลับคืนมาเขาชื่อชีวกะ ชีวกะแปลว่าอะไรฮะอ่าชีวะก็คือชีวิตชีวกะก็น่าจะเป็นฮะอุ้ยพวนี้เดาไม่เป็นเลยนะชีวกะก็เหมือนปาประกะอย่างเงี้ยฮะชีวกะก็น่าจะเป็นผู้ที่มีชีวิตนะแต่เนี่ยเยคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาชื่อชีวกะ ฮ้ He, ถึงจะชื่อว่าเป็ น, นชีพกาศก็คือเป็นนั่นเองถึงจะชื่อว่าเป็นหรือจะชื่อว่าตายอะไรก็ช่างเธอล้วนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละนะก็พูดไปคนนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เขาก็พูดไปตามภาษาเขาเท่านั้นเองนายบาปฟังแล้วก็ได้แง่คิดในใจตนเองว่าแม้ชื่อว่าเป็นก็ต้องตายชื่อช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เลยนะ นะได้ได้ได้เกิดปัญญาเหมือนกันนะแสดงว่าก็ต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาเลยอฟังแล้วมันไม่เกิดปัญญาหรอกเพราะว่าฟังแล้วมันจะคิดอะไรนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่นี่ต้องมีปัญญาด้วยเพราะฉนั้นพอฟังปับ๊บโอ้ได้แง่คิดเลยทันทีเลยบอกว่าเออจริงสินะคนเนี้ยชื่อว่านายเป็นเนี่ยปรากฏว่าชื่อช่วยให้หลอดตายไม่ได้ก็ต้องตาย